พระไตรปิฎกเล่มที่ส5หาวังคีสะสั่งยุตประมวลธรรมกถาเรื่องเกี่ยวกับพระวังคีสสะเถระนิกกัตขันตสูตรว่าด้วยผู้ออกบวชสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสสะอยู่ที่อัคคาลาวาเจดีเขตเมืองอาลวีกับท่านพระนิโครทะกับปัปผู้เป็นอุปชา สมัยนั้นท่านพระวังคีศักด์ยังเป็นภิกษุใหม่บวชได้ไม่นานถูกใช้ให้เฝ้าวิหารครั้งนั้นสตรีจำนวนมากพากันประดับประดาร่างกายอย่างสวยงามเข้าไปอย่างอารามเที่ยวดูที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายในขณะนั้นท่านพระวังคีศัก์เกิดความไม่ยินดีเพราะได้เห็นสตรีเหล่านั้นความกาหนัดรบกวนจิต ลำดับนั้นท่านพระวังกีสะได้มีความคิดอย่างนี้ว่าไม่ใช่ลาภของเราเลยเราได้ชั่วหนาเราไม่ได้ดีหนาที่เราเกิดความไม่ยินดีความกำนัดรบกวนจิตเหตุที่จะให้คนอื่นช่วยบรรเทาความไม่ยินดีทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่เรานั้นเราจะได้จากที่ไหนทางที่ดีเราพึงบรรเทาความไม่ยินดี ทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองเธอครั้งนั้นท่านพระวังกีสสะบรรเทาความไม่ยินดีแล้วทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองแล้วจึงกล่าวคถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าความตรึกกับความขนองอย่างเลวซามเหล่านี้กําลังเข้าครอบงําเราผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบุตร ของคนสูงศักดิ์ได้ศึกษาวิชายิงธนูคราวละมากๆอย่างเชี่ยวชาญยิงลูกธนูหนึ่งพันลูกไปรอบรอบตัวถึงแม้หญิงจะมามากกว่าลูกธนูจำนวนนั้น <c oughs> ก็จะเบียดเบียนเราผู้ตั้งมั่นในธรรมะของตนไม่ได้เพราะว่าเราได้สดับทางเป็นที่ให้ถึงนิพพานนี้เบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันดวงอาทิตย์ ใจของเรายินดีแล้วในทางนั้นแน่นอนมารผู้มีบาปถ้าท่านยังเข้ามาหาเราผู้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราก็จะทำให้ท่านมองไม่เห็นทางของเราหมายเหตุผู้อา่านสำหรับรระไตปิฎกเล่มที่15้าเป็นการรวมธรรมกถฐาซึ่งหลายคำอาจไม่ได้แปลตรงตัวนักนะครับเป็นแค่การอุ ป, ปมา หรือคำที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาความเชื่อของบุคคลที่ได้ฟังในขณะนั้นบางประโยค์ก็ใช้คำเพื่อให้สละสลวยเหมือนการแต่งกลอนในภาษาไทยนะครับดังนั้นยกตัวอย่างประสูตรนี้นะครับกับคำที่ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันดวงอาทิตย์ซึ่งในความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคไม่ได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้นมานะครับ แต่เป็นการเปรียบเทียบว่าท่านให้กำเนิดแสงสว่างทางปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างที่ประเสริฐที่สุดจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับการศึกษาก็ต้องทําความเข้าใจว่าอะไรคือแกน่นอะไรคือเปลือกและอะไรคือคําแปลที่ยังแปลได้ไม่ตรงเพราะว่าหลายคําเป็นสำนวนของอินเดียโบราณเขานะครับ อรติสูตรว่าด้วยความไม่ยินดีสมัยหนึ่งท่านพระวังกีสักอยู่ที่อัคคารวะาเจดีเขตเมืองอาลวีสมัยนั้นท่านพระนิโกระกากปักกลับจากปินทบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วเข้าไปยังวิหารแล้วออกมาในเวลาเย็นบ้างในเวลาพิกขาจารในวันรุ่งขึ้นบ้าง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 เราจะได้จากที่ไหนทางที่ดีเราพึงบรรเทาความไม่ยินดีทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วยตนเองเถิดครั้งนั้นท่านพระวังอินทร์บันเทาความไม่ยินดีแล้วทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองแล้วจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดรักความยินดีความไม่ยินดี และความกเกี่ยวกับบ้านเรือนได้ทั้งหมดหมดตันหาไม่มีกิเลสไม่พึงก่อตันหาดุดปลาในที่ไห น, ไหนผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ทั้งที่อาศัยแผ่นดินอยู่ในอากาศอันนับเนื่องในพบสามล้วนไม่เที่ยงกร้ากล้าไปทั้งนั้น ท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมีตนหลุดพ้นเที่ยวไปเหล่าปุถุชนที่มีจิตหมกมุ่นในอุปัิทั้งหลายคือรูเสียงกลิ่นรสและโผฏพะท่านจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวกำจัดความพอใจในการมคุณห้านี้ผู้ใดไม่ติดอยู่ในการมคุณห้านี้บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นมุนี ถ้ามิจฉาวิตกที่อิงอาศัยทิฏฐิหกสิประการซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่ตั้งมั่นในการไห น, ไหนผู้ใดไม่พึงเป็นไปในอำนาจกิเลสด้วยอำนาจมิจฉาวิตกเหล่านั้นทั้งไม่ชอบกล่าวคำอยากคายผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีจิตมั่นคงมานานไม่หลวงโลกมีปัญญาเครื่องบริหาร หมดความทะเยอะทะยานเป็นมุนีได้บรรลุสันติบทดักกิเลสแล้วรอเวลาอยู่ข้อนี้คือบรรลุอรหันต์แล้วรอเวลาคือรอปรินิพานเปสลาติมั ญ, ญานาสูตรว่าด้วยการนึกดูเหมีนภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก สมัยหนึ่งท่านพระวังกีสะอยู่ที่อักคารวะเจดีท่านพระวังกีส ะ, าาา น, ะ, ะนึกดูมีนภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่าอื่นเพราะปฏิพานของตนครั้งนั้นท่านพระวังกีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าไม่ใช่ลาของเราเลยเราได้ชั่วหนอเราไม่ได้ดีหนอที่เราดูมิ่นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่าอื่นเพราะปฏิพานของตน ครั้งนั้นท่านพระวังกีสัตยให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองแล้วจึงกล่าวคถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าท่านผู้เป็นสาวกของพระโคดมท่านจงลักความเยื่ยยิงและจงลักทางแห่งความเยื่ยยิงให้หมดเพราะผู้ที่หมกมุ่นอยู่ในทางแห่งความเยื่ยยิงจะต้องเดือดร้อนเป็นเวลานาน หมูสัตว์ที่ยังลบหลู่คุณท่านถูกความเยื่อหยิงกำจัดแล้วย่อมตกนรกเหล่าปุทุชนที่ถูกความเยื่อหยิงกำจัดแล้วเกิดในนรกย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานบางครั้งภิกษุปฏิบัติชอบแล้วชนะ ก, กิเลสได้ด้วยมัจไม่เศร้าโศกเลยยังกลับได้เกียรติคุณและความสุข บัณฑิตทั้งหลายเรียกภิกษุผู้ปฏิบัติชอบเช่นนั้นว่าเป็นผู้เห็นธรรมเพราะเหตุนั้นภิกษุในพระศาสนานี้ไม่ควรมีกิเลสเครื่องตรึงใจห้าอย่างควรมีแต่ความเพียรชอบลักนิวรได้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งลักความเยื่อหยิ่งได้หมดสงบระงับแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชา อนันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณพระเชตวันเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์เข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีมีท่านพระวังคีสักเป็นปัจชาสมณะสมัยนั้นท่านพระวังคีศักเกิดความไม่ยินดีความกำนัดรบกวนจิตครั้งนั้น ท่านพระวังจีศักได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ด้วยคถาว่าท่านผู้เป็นสาวกของพระโคดมกระผมถูกกามราคะแผดเผาจิตของกระผมเร่าร้อนดังกระผมจะขอโอกาสขอท่านโปรดอนุเคราะห์ช่วยบอกเหตุที่ดับราคะให้ด้วยท่านพระอานนท์กล่าวด้วยคาทานี้ว่าจิตของท่านเร่าร้อน เรับความสําคัญผิดท่านจงละทิ้งนิมิตว่างามซึ่งประกอบด้วยราคะท่านจงดูสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของประแพรพันโดยความเป็นทุกข์และอย่าดูโดยความเป็นอัตตาจงดับราคะแรงกล้าอย่าถูกราคะเผาผลาญบ่อยๆเลยท่านจงอบรมจิตให้มีอารมณ์เดียวให้ตั้งมั่นดี โดยการพิจารณาเห็นว่าไม่งามจงอบรมกายคตาสติและจงเป็นผู้เบื่อนายให้มากท่านจงอบรมความไม่มีนิมิตและจงถอนมานานุสัสจากนั้นท่านจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปเพราะละมานะได้สุภาษิตะสูตร ว่าด้วยวาจาสุภาษิตเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองศีเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียน วาจาประกอบด้วยองค์4ีอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวแต่วาจาสุภาษิตอย่างเดียวไม่ก RIGHT. ล่าววาจาทุพภาษิตกล่าวแต่วจ า, า, าววจาที่เป็นธรรมอย่างเดียวไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมกล่าวแต่วาจาเป็นที่รักอย่างเดียวไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักกล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียวไม่ก RIGHT. ล่าววาจาหลาะและ ภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้แลเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษละวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสวยากรณาภาษินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตบุรุษทั้งหลายกล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นวาจาสูงสุด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 ท่านพระวังกีสักได้กูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระาับพักว่าบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุทำให้ตนเดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนชนอื่นวาจานั้นแหละเป็นสุภาษิตบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักที่ชนทั้งหลายชื่นชอบ ไม่พึงพูดหยาบคายต่อชนเหล่าอื่นพึงพูดแต่วาจาอันเป็นที่รักคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายธ ร, รมมานี้เป็นของเก่าสัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแล้วในคำสัตว์ทั้งที่เป็นอัฏฐะและเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดอันเกษมเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อทาที่สุดแห่งทุกข์พระวาจานั้นแหละ สูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายสาวรีบุตตสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถา บ, บินทิกะเศรษฐีเกตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้ภิกษุ ท, ทั้งหลายเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อดหารแก้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นราเริงด้วยธรรมิกถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สลักสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สําเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสโสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นท่านพระวงังกีสัต ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราควรสรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะหน้าเถิดลำดับนั้นท่านพระวังคีสละลุกขึ้นจากอาสนะห่ผมผ้าเฉวียงบาประนมมือไปทางที่ท่านพระสารีบุตรอยู่กล่าวว่าท่านพระสารีบุตรเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพเจ้าท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า เนื้อความนั้นจงปรากฏแก่ท่านเถิดท่านวังกีสักข้อนี้คือธรรมเนียมเป็นประโยคการขออนุญาตและก็การให้อนุญาตนะครับครั้งนั้นท่านพระวังกีส่าได้สรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรานะที่เฉพาะหน้าว่าท่านพระสารีบุตรเป็นนักปราดมีปัญญาลึกซึง้งฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง มีปัญญามากแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแสดงโดยย่อก็ได้โดยพิสดารก็ได้เสียงที่เปล่งออกไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกาปฏิพานก็ปรากฏเมื่อท่านแสดงธรรมนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายฟังเสียงอันไพเราะก็มีจิตร่าเริงเบิกบานด้วยเสียงที่น่า ย, ยินดีน่าฟังไพเราะจับใจ จึงตั้งใจฟังปวารณาสูตรว่าด้วยการปรวารณาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ณบุภารามปราสาทของนางวิสาขามิขารมาตาเขตกรุงสาวัตถีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในที่กลางแจ้งเพื่อทรงปรวารณาในวันอุโบสถ15คหาค่ำครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ผู้นั่งสงบเงียบจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอปวารณาต่อเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะไม่ติดเตียนกรรมอะไรอะไรอันเป็นทางกายหรือทางวาจาของเราบ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสาวรีบุตรลุกขึ้นจากอาสนะโหมผ้าเฉวงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายติดเตียนกรรมอะไรอะไร อันเป็นไปทางพระกายหรือทางพระวาจาของพระผู้มีพระภาคไม่ได้เลยเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงทาทางที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติทรงทาทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดทรงบอกทางที่ยังไม่มีผู้บอกเป็นผู้ทรงรู้ทางทรงรู้แจ้งทางทรงฉลาดในทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาวกทั้งหลายในบัดนี้ เป็นผู้เดินตามทางบัดนี้ข้าพระองค์ขอประวารณาต่อพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงติดเตียนกรรมอะไรอะไรอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์บ้างหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาวรีบุตรเราติดเตียนกรรมอะไรอะไรอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเธอไม่ได้เลยเธอเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก มีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปเฉียบแหลมมีปัญญาชําแรกกิเลสสารีบุตรโอรสองใหญ่ของพระเจ้าจากักรพรรดิยังจากอันพระราชบิดาทรงให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามได้โดยชอบฉันได้เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันยังธรรมจากอันยอดเยี่ยมอันเราให้เป็นไปแล้ว ให้เป็นไปตามได้โดยชอบแท้จริงท่านพระสาวรีบุตรจึงกราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงติดเตียนกรรมอะไระไรมันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงติดเตียนกรรมอะไรอะไรมันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้บ้างหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเราไม่ติดเตียนกรรมอะไรๆ อ, อันเป็นไ ป, นปนทางกายหรือทางวาจาของภิกษุห้าร้อรูปแม้เหล่านี้เพราะบรรดาภิกษุห้าร้อรูปเหล่านี้ภิกษุ60สรูปเป็นผู้ได้วิชาสามอีก60ิรูปได้อภิญญาหกอีก60รูปได้อุปะตะผักวิมุตส่วนที่เหลือ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 ครั้งนั้นท่านพระวังกีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยกถาทั้งหลายอันสมควรนะักที่เฉพาะพระพักว่าในวันสิบห้าค่ำซึ่งเป็นวันวิสุทธิปวารณาวันนี้มีภิกษุห้าร้อรูปมาประชุมกันหลวนเป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกคือสังโยชน์ได้ขาดไม่มีทุกข์สิน้นภพสิ้นชาติแล้ว เป็นผู้สแสวงหากุณธรรมอันประเสริฐพระเจ้าจักรพรรดิมีหมู่อมารจ์แวดล้อมสเสด็จประพาสแผ่นดินอันไพศาลมีมหาสมุทรสาครอนเป็นขอบเขตนี้ฉันใดสาวกทั้งหลายมีวิชาสามลกมัจจุได้แล้วพากันแวดล้อมพระผู้มีพระภาคผู้ทรงชนะสงครามทรงนำหมู่เป็นผู้ยอดเยี่ยมก็ฉันนั้น สาวกทั้งปวงล้วนเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคในสาวกนี้ไม่มีความว่างเปล่าจากคุณธรรมเลยข้าพระองค์พึงถวายอภิวาทพระองค์ผู้เป็นเผาพัน์แห่งดวงอาทิตย์ซึ่งทรงทำลายลูกศรคือตันหาได้แล้วป่าโรสหัสัสูตร ว่าด้วยภิกษุ 1,000 พรูปสมัยหนึ่งระภูมิพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันเกศกรุงสัตวถีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 1,250 รูปสมัยนั้นระภูมิพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์ น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงียโสดสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นท่านพระวังกีสัได้กราบทูลขออนุญาตทรงประธานอนุญาตแล้วท่านพระวังกีสัได้ทูนสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยขถาทั้งหลายอันสมควรนณะที่เฉพาะพระพั ก, กว่าภิกษุกว่า 1,000 รูปเข้าไปเป้าประสุคต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 ทรงโปรยฝนอมตะธรรมให้ตกรถพระสาวกทั้งหลายข้าแต่พระมหาวีระเจ้าวางกีสะสาวกของพระองค์ประสงค์จะเฝ้าพระาศาสดาจึงออกจากที่พักลังวันมาถวายบังคมพระยุกลบบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาตรถามว่าคถาเหล่านี้เธอตรึกตรองไว้ก่อนแล้วหรือปรากฏแก่เธอโดยฉับพลันทันที ทูลตอบว่ามีได้ตรึกตรองไว้ก่อนแต่ปรากฏขึ้นโดยฉับพลันทันทีพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าวังคีสักขอให้คาถาที่เธอไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนเหล่านี้จงปรากฏแก่เธอยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดท่านพระวังคีสะทูลรับสนองพระดํารัสแล้วได้กุณสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคถ า, าทั้งหลาย ซึ่งตนไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนยิ่งขึ้นไปอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครอบงามทางเป็นที่เกิดขึ้นแห่งมารทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงใจดุจตะปูท่านทั้งหลายจงดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำการปลดเปลื่องกิเลสเป็นเครื่องภูกผู้อันตัญหามานะและทิฐิอิงอาศัยไม่ได้ ผู้ทรงจำแนกรมเป็นส่วนๆได้นั้นความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสทางไว้หลายอย่างเพื่อถอนโอคฆกิเลสหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทางอามตะนั้นไว้แล้วภิกษุทั้งหลายผู้เห็นธรรมก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำแสงสว่างให้เกิดทรงรู้จำแจ้ง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 ผู้ไม่ประมาทในคําสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงตั้งใจศึกษาทุกเมื่อโกนธัญญสูตรว่าด้วยพระัญญาโกณัธัญญะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชรกฤกครั้งนั้น ท่านพระัญญากรทัญญะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับซึ่งท่านไม่ได้เข้าเฝ้านานแล้วได้หมอบลงแทบพระยุกลบบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียรกล้าวจุมพิษพระยุกลบาทแล้วนวดเป็นด้วยมือทั้งสองและประกาศ ช, ชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะข้าแต่พระสุคต พระองค์ชื่อว่ากวนทัญญาพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นท่านพระวังกีสักได้เห็นดังนั้นจึงมีความคิดว่าทางที่ดีเราควรสรนเสริญท่านพระอัญญากวนทัญญาด้วยคถาทั้งหลายอันสมควรนณะที่เฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคเถิดหลังจากได้กราบทูลขออนุญาตแล้วและทรงประทานอนุญาตแล้วท่านพระวังกีสัก ได้สันเสรินท่านพระัญญากุลธัญญะด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านพระัญญากุลธัญญเทระผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้มีความบากบั่นอย่างแรงกล้าได้วิเวกซึ่งเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นประจำเป็นผู้ไม่ประมาท ศ, ศึกษาอยู่ได้บรรลุสิ่งที่พระสาวกผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดา จะพึงบรรลุได้ทุกรูปท่านพระอัญญาโกนทัญญาเทระมีอนุภาพมากได้บรรลุวิชาสามฉลาดในเจโตปริยญาณเป็นพุทธทาญาตถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระศาสดาอยู่โมคขลานะสูตรว่าด้วยพระโมคขลานะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารกาลาสิลาข้างภูเขาอิสิทิลิเขตกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปล้วนแต่เป็นพระอระหันต์ได้ยินว่าท่านพระมหาโมคลานะใช้จิตของท่านตามพิจารณาจิตของภิกษุเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิครั้งนั้นท่านพระวังกีสัตย์ได้มีความคิด สรรเสริญท่านพระมหาโมคลานะในที่เฉพาะพระพักจึงกราบปูลขออนุญาตหลังจากทรงประธานอนุญาตแล้วท่านพระวังกีสะจึงกล่าวด้วยคถานี้ว่าพระสาวกทั้งหลายผู้บรรลุวิชาสามลกมาจุกได้พากันแวดล้อมพระมหามุนีผู้ถึงฟังแห่งทุกประทับนั่งที่ข้างภูเขา ท่านพระมหามุคลานะผู้มีฤทธมากใช้จิตพิจารณากําหนดรู้จิตของพระกีนาสบเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิได้พระกีนาสบเหล่านั้นพากันแวดล้อมพระมหามุนีโคดมผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกประการส่งถึงฝั่งแห่งทุกเพียรพร้อมด้วยพระคุณอย่างมาก คัค ข, ขาราสูตรว่าด้วยเรื่องเกิดขึ้นที่สระบครีชื่อคักขาราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งสะบครีชื่อคัคขาราเกตกรุงจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่ประมาณ500รอรูปอุบาสกประมาณเจ0รคนอุบาสิ ก, กาประมาณ700รอคนและเทวดาหลายพันองค์ ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระวัรณะและมีประยชน์รุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดครั้งนั้นท่านพระวังคีสัมีความคิดว่าเราควรสรนเสริญพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระภาคเถิดจึงกราบทูลขออนุญาตหลังจากประธานอนุญาตแล้วท่านพระวังคีสัจึงกล่าวคาถานี้ว่า ถ้าแต่พระมหามุนีอังกีรดพระองค์ไพรโรดล่วงโลภทั้งหมดด้วยประโยชน์เหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ปราศจากมวลถินสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกวังคีสัจสูตรว่าด้วยพระวังคีสัจสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสัจอยู่ณพระเชตวันเขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้นท่านพระวังกีสสะบรรลุอราหันต์แล้วไม่นานสวยวิมุตติสุขอยู่ได้กล่าวคถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าในการก่อนเราเป็นผู้มัวเมากาบกรอนได้เที่ยวไปแล้วทุกบ้านทุกเมืองต่อมาเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาก็เกิดขึ้นแก่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 วิชาสามอันเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำแล้วเรารู้ขันธสันดานอันเราเคยอยู่ในการก่อนทิปจักขุยานเราทำให้หมดจดแล้วเราเป็นผู้สำเร็จวิชาสามบรรลุอิทธิวิธยานฉลาดในเจโตปริย า, ยาน วังคีสสะสังยุตรวมธรรมคถาเกี่ยวด้วยพระวังคีสัะเทระจบบริบูรณ